จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจขุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญ มาสร้างบุญสร้างคุศลเพื่อประโยชน์แก่จิตใจที่เปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยังต้องการการทำนุบำรุงดูแลเช่นการให้ดินให้น้ำให้ปุ๋ยคอยป้องกันวัชพืชและสัตว์มแมลงสัตว์ต่างๆ ที่จะมากัดทำลายต้นไม้รักษาไปเรื่อยๆจนกว่าต้นไม้จะโตและสามารถเลี้ยงดูตนเองได้จิตใจของพวกเราซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เป็นเหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆที่ยังไม่สามารถยืนอยู่ตามลำพังได้อย่างต้อง มีการดูแลรักษาลดน้ำพรวนดินให้ปุย๋ยถากพวกถากถางพวกวัชพืชต่างๆและกำจัดแมลงสัตว์ต่างๆไปก่อนจนกว่าต้นไม้จะเจริญเติบโ ต, ตแล้วก็ออกดอกออกผลได้แล้วก็จะหมดภาระจิตใจของพวกเราก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลรักษาตนเองได้ ยังต้องอาศัยพระรัตนตรัยอาศัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นผู้คอยดูแลรักษาคอยส่งเสริมทำนุบำรุงให้เจริญก้าวหน้าไปจนกว่าจะถึงขั้นจเจริญเต็มที่แล้วเช่นจิตของพระพุทธเจ้ากับพระอหรหันตาสาวุทั้งหลายจิตของท่านได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษา จนเจริญเติบโตเต็มที่เป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายมีแต่ออกดอกออกผลให้ความสุขความสบายไปไม่มีวันที่ไม่มี ว, มมวันสิ้นสุดใจของเรานี้มีโอกาสที่เจริญได้หรือจะเสื่อมได้แต่ใจนี้ไม่โตขึ้น หรือไม่เล็กลงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับมีแต่ว่าจะเจริญหรือเสือ่อมก็อยู่ที่พวกเราที่เป็นเจ้าของใจจะเลือกเอาว่าจะทำอย่างไรกับใจของเราเราจะทำใจของเราให้เสื่อมก็ได้ เช่นถ้าเราไปกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิต <c oughs> มีความเกลียดค้านฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดนี่คือวิธีที่จะทำให้จิตใจของพวกเราเสื่อมลงไปแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราจเจริญขึ้นไป เราก็ต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญามีความกตัญญูกตเวทีมีความเมตตากรุณามุริตาอุเบกขามีความขยันหมั่นเพียรมีความซื่อสัตย์สุจริตเหล่านี้เป็นเป็นการสร้างหรือเป็นการส่งจิตใจ ให้เจริญให้สูงขึ้นไปตามลำดับอยู่ที่เราอาตาหิอาตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นไม่สามารถทำให้เราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองพ่อแม่ก็ทำให้เราไม่ได้สามีภรรยาก็ทำให้เราไม่ได้พี่น้องก็ทำให้เราไม่ได้ญาติสนิทมิตรสหายก็ทำให้เราไม่ได้ เราต้องเป็นผู้กระทำเองโดยอาศัยผู้อื่นเป็นผู้ชี้ทางผู้นนี้สอนเราได้บอกเราได้เพราะเรายังไม่มีความรู้พอที่จะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรเจริญอะไรเสือ่อมเรายังต้องอาศัยผู้อื่นผู้ที่จะ ชี้บอกทางให้เราได้ดีที่สุดก็คือพระรัตนตรัยนี้เองคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนและพระอริยสงสาวกุกตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เสด็จดับขันธปรณีพานไปแล้วก็เหลืออยู่แต่พระธรรมคําสอนและพระอริยสงสาวกที่ยังจะบอกทางให้แก่เราได้ เราจึงควรเข้าหาพระธรรมคาสอนเช่นอ่านหนังสือจากพระไตรปิฎกเป็นพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นคำสอนที่ได้จดจากันมาแล้วจาลึกเอาไว้ในหนังสือที่เรียกว่าพระไตรปิฎกเราควรจะศึกษาจากพระไตรปิฎกบ้างเพราะเราจะได้มีหลักยึด เพราะคำสอนของผู้อื่นนั้นก็มีหลายรูปแบบหลากหลายอาจจะถูกบ้างอาจจะไม่ถูกบ้างก็ได้แต่ถ้าเรารู้คำสอนหลักของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าผู้ที่สอนนั้นสอนถูกต้องหรือไม่แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระไตไปิกเลยเราศึกษาจากพระ รูปใดรูปหนึ่งถ้าท่านสอนอย่างถูกต้องก็เป็นบุญของเราถ้าท่านสอนไม่ถูกต้องก็จะเป็นกรรมของเราเพราะท่านก็จะสอนให้เรามีความเห็นผิดเป็นชอบเหมือนกับตัวท่านเองเพราะตัวท่านเองก็คงไม่เคยศึกษาจากพระไตรปิฎกและไม่ได้ศึกษาจากพระที่รู้อย่างถูกต้อง ไปศึกษาจากผู้ที่ไม่รู้อย่างถูกต้องมาก็เลยมาสอนผู้อื่นอย่างไม่ถูกต้องต่อไปถ้าเราไปเรียนจากเขาเราก็จะได้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องแล้วเราก็จะไปสอนผู้อื่นในความรู้ที่ไม่ถูกต้องนี้ต่อไปเองดังนั้นคำสอนที่ถูกต้องนั้นมีอยู่ถึงแม้จะไม่มีพระมาสอนก็ยังมีอยู่ในหนังสือ คือพระไตรปิฎกนี้เองขอให้เราใช้เวลาศึกษาหาหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้ถึงแม้จะมีอยู่ถึง 84,000 พันพระธรรมขันธ์ก็แต่สาระของพระไตรปิฎกนี้มีอยู่เพียงอันเดียวคือเรื่องของความทุกข์ และวิธีดับทุกข์เท่านั้นมีอยู่เท่านั้นเองเราไม่จำเป็นจะต้องศึกษาพระตไตรปิฎกให้หมดทั้งหมดเราเพียงแต่หาตัวอย่างที่สำคัญสำคัญมาศึกษามีพระสูตรที่สำคัญสำคัญอยู่ส5ห้าพระสูตรก็พอเพียงที่จะเป็นแนวทางได้เช่นพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี่ก็จะสอนเรื่องอริยสัจสี่ สอนเรื่องมรรคแปลแล้วก็มีพระพระสูตรที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอนัตตาเรียกเรียกว่าอนัตตลักษณะสูตรแล้วก็พระสูตรที่สอนเกี่ยวกับการเจริญสติเรียกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรที่สอนเกี่ยวกับความเป็นมงคลแก่ชีวิตที่เรียกว่ามงค ล, ลสูตร เนี่ยถ้าเราศึกษาพระสูตรประมาณสักสี่หพระสูตรนี้เราก็จะได้หลักได้เกณฑเราจะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอะไรถ้าเรารู้แก่นแล้วเราจะเข้าใจคำสอนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องที่ออกมาจากแก่นอีกทีหนึ่ง ถ้าเราไม่ศึกษาเลยเวลาเราไปศึกษาจากผู้อื่นเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาสอนถูกหรือผิดอย่างไรเราจึงควรที่จะให้เวลากับการศึกษาพระไตรปิฎกแล้วเราก็ค่อยไปหาพระผู้ที่จะสอนเราอีกครั้งหนึ่งอีกต่อห น, นึง่ง ท่านจะขยายความในคำสอนของพระไตรปิฎกออกมาจากประสบพการณ์ของท่านที่ที่ท่านปฏิบัติมาถ้าท่านเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงท่านจะสามารถสอนให้เราเข้าใจในการปฏิบัติได้และจะแก้ปัญหาของเราได้เวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมา แต่ถ้าเราเรียนจากพระไตรปิฎกอย่างเดียวอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าอาจจะมีคำตอบในปัญหาของเราแต่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเรามีคนที่มีประสบการณ์แล้วมาสอนเราเวลาเรามีปัญหาท่านจะตอบให้เราได้อย่างทันทีเหมือนกับมีหมอที่อยู่ในบ้านกับมีตู้ยาที่อยู่ในบ้านอย่างไหนจะดีกว่ากัน ถ้ามีหมอเวลาเป็นอะไรก็บอกหมอหมอก็จะจัดยาให้รับประทานได้ ท, ทันทีถ้าไม่มีหมอมีแต่ยาเราก็ไม่รู้ว่าจะกินยาชนิดไหนก็ต้องศึกษาต้องหาหนังสือมาอ่านว่ายาชนิดนี้รักษาโรคอะไรขณะนี้เรากำลังเป็นโรคอะไรอยู่เราเป็นโรคแต่เรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นโรคอะไร ปวดท้องแต่เราไม่รู้ว่าปวดท้องเพราะอะไรปวดเพราะเป็นโรคกระเพาะหรือปวดเพราะเป็นโรคไตโรคตับเราไม่รู้ถ้าเรากินยาไม่ถูกชนิดก็จะไม่หายแต่ถ้าเรามีหมอเราปรึกษาเล่าอาการให้หมอฟังหมอวิเคราะห์ได้ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็จัดยาให้เราประทานได้ก็จะหายจากโรคได้ นี่คือประโยชน์ที่จากการได้ศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถ้าได้ไปพบกับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านมีความรู้จริงเห็นจริงเวลาเราศึกษากับท่านเราจะได้ความรู้ที่ถูกต้องและเวลาที่เรามีปัญหาเกิดขึ้นเราจะมีผู้ที่คอยแก้ปัญหาให้กับเรา การปฏิบัติธรรมนี้จำเป็นต้องมีครูมีอาจารย์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีครูอาจารย์นั่งปฏิบัติคู่กับเราเหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิไม่ต้องให้มีอาจารย์มานั่งข้างๆเราหรือนั่งข้างหน้าเราอาจารย์มีคอยบอกทางคอยแก้ปัญหาให้กับเราเวลาปฏิบัติไปแล้วเราเราติดตรงไหน เราสงสัยเรื่องอะไรเราก็ไปถามอาจารย์ได้หรือเราไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติของเรานี้ถูกต้องหรือไม่เราก็ไปถามอาจารย์ได้นี่คือความหมายของการมีอาจารย์เพราะถ้าเราไม่มีอาจารย์เราปฏิบัติไปเราอาจจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วทั้งๆที่เรายังไม่เป็นหรือเราเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว เราก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีคนคอยมาสอนมาบอกเราว่ามันเป็นอะไรมันถูกหรือไม่ถูกเราควรที่จะไปทางนี้หรือไม่ถ้าเราไม่มีคนบอกเราก็อาจจะหลงถามได้หรืออาจจะกลายเป็นคนเสียสติไปได้อย่างที่เราคงเคยได้ยินกันว่าปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้าไป ที่เป็นบ้านนี้ไม่ใช่เป็นพิษเป็นพิษของการปฏิบัติธรรมแต่เป็นพิษของคนที่ปฏิบัตินั้นไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรถูกอะไรผิดหลงออกมาจากความหลงของผู้ปฏิบัติเองแล้วก็ไม่ยอมเชื่อผู้อื่นไม่ยอมเชื่อกูบาอาจารย์ชอบทำอะไรตามนิสัยของตนเองตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง อย่างนี้ก็เลยเกิดความเสียหายกับตนเองและกับผู้อื่นด้วยเพราะจะไปสอนให้ผู้อื่นกระทำผิดจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อผู้อื่นผู้อื่นเห็นก็คิดว่าทำได้ก็จะทำตามนี่คือการปฏิบัติที่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์เป็นคอยพี่เป็นพี่เลี้ยงคอยบอกทาง การปฏิบัติธรรมนี้ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีผู้คอยคอยสอนคอยบอกทางแล้วจะมีคุณมีประโยชน์มากรับรองได้ว่าไม่เป็นบ้าไม่ทำให้คนเป็นบ้าอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วจะเป็นบ้าไปถ้าเราศึกษาก่อนที่เราจะปฏิบัติเราศึกษาพระไตรปิฎกก่อนศึกษาก็ทําคํคำสอนก่อนแล้วก็หาครูหาอาจาร ที่มีอุบมีประสบะการณ์ที่เป็นผู้ที่น่ารัหน่าเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นผู้ที่มีผู้ให้ความเชื่อถือมากแล้วเราไปศึกษากับท่านเราจะไม่ค่อยจะผิดพลาดหรือถ้าว่าเราไปศึกษาแล้วเราเห็นว่าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รู้ว่า ไม่ควรไปหาพระองค์นี้ไปหาพระองค์อื่นที่สอนตามหลักตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างนี้รับรองได้ว่าปฏิบัติไปแล้วจะเกิดจะมีแต่ประโยชน์ตามมาจะไม่มีโทษตามมาอย่างแน่นอนการปฏิบัตินั้นเราต้องปฏิบัติแบบใช้สติใช้ปัญญาต้องมีหลักมีเกณฑ์ ต้องมีอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องเครื่องนำทางอย่าไปปฏิบัติตามอำเภอใจตามรู้สึกนึกคิดนึกอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติถ้าอย่างนี้แล้วก็อาจจะเสียได้อาจจะเสียสติได้ดังนั้นเราจึงต้องมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา แต่ที่พึ่งที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ที่อัตตาหิอัตโนโนาโถคือตนเป็นที่พึ่งของตนถึงแม้เราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ตามแต่ถ้าเราไม่พึ่งตนเองคือเราไม่ปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้กราบไหว้เฉยๆไว้ศึกษาเฉย ๆ, ๆ แต่ไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนมีรถยนต์แต่จอดทิ้งไว้ในบ้านไม่เอาไม่ขับไปไหนมาไหนเวลาไปไหนมาไหนก็ทิ้งรถไว้ที่บ้านแล้วก็เดินไปอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปกัน ถ้าเรามีรถยนต์ขับไปเดียวเดียวก็ถึงถ้าเราไม่ใช้รถยนต์เดินไปก็อาจจะไปไม่ถึงเพราะระยะทางมันไกลและเราจะหมดกําลังเสียก่อนอนี่ก็คือความหมายของพระรัตนใจเป็นเหมือนรถยนต์แต่ถ้าเราไม่ใช้รถยนต์เราไม่ขับรถยนต์เราก็จะไปไม่ถึงเราต้องขับรถยนต์ก็คือเราต้องปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนขั้นต้นให้เราทําทานทําทานนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันตั้งแต่ระดับต่ําไปจนถึงระดับสูงระดับต่ําก็อย่างที่พวกเราทํากันทําตามฐานะคือมีเงินทองพอที่จะแบ่งปันมาทําบุญให้ทานก็ทําได้แต่ยังเก็บส่วนใหญ่เอาไว้เพื่อ ดูแลรักษาตนเองและครอบครัวแต่ถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเห็นโทษของการอยู่เป็นค า, ารวาะเห็นโทษของการอยู่กับชีวิตการครองเลือนว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจ mm. ก็อยากจะออกบวช mm. ก็จะสามารถให้ทานได้หมดเลย มีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยกให้ผู้อื่นไปให้สามีให้ภรรยาให้ลูกให้หลานถ้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาก็ให้วัดให้วาให้องค์กรการกุศลไปให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนไปไม่เอาอะไรติดตัวไปนอกจากบริขารแปมีเงินไว้สำนับเตรียมซื้อผ้าไตจีวรบาง เพื่อจะได้บวชเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับนักบวชนี่คือการให้ทานอย่างสูงสุดที่พวกเราจะต้องไต่เต้าขึ้นไปถ้าเราอยากจะไปให้ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเราทำอย่างที่เราทากันอยู่นี้ก็จะอำนวยให้เราได้มีทรัพย์เวลาที่เราไปเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราจะไม่อดอยากขาดแคลน เราจะมีทรัพย์มีเงินมีทองรอเราอยู่แต่เรายังต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่จะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่รู้จักจบจากสิ้นถ้าเรายังไม่สามารถที่จะให้ทานได้อย่างเต็มที่เพื่อออกบวชเพื่อรักษาศีลให้อย่างเต็มที่ตอนนี้พวกเราก็รักษาศีลกันพอประมาณ บางวันก็รักษาบางวันก็ไม่รักษาถ้าเรารักษาไม่ได้ครบเราก็ยังจะต้องไปใช้กรรมในอบายเรายังต้องไปเกิดในอบายถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศิ้นห้าได้บริสุทธิ์ตลอดเวลาแต่ถ้าเรารักษาศิ้นห้าได้ตลอดเวลาหรือเราออกบวชได้ รักษาศีลแปรักษาศีล227ิ22ได้เราก็จะสามารถที่จะปิดประตูของอาบายได้เพราะเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันขึ้นมาพอเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่ต้องไปเกิดในอาบายอีกต่อไปมีภพชาติเหลือเพียงเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะขึ้นเป็นพระสะกิฎาคารีก็จะมีพบชาติเหลือเพียงชาติเดียวพบของมนุษย์แล้วถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปเป็นพระอนาคามีได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะเกิดเป็นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในสวรรค์ชั้นพรหมหรือถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปได้อีกไปบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในชาตินี้เลย ก็จะต้องก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปจะบรรลุถึงพระนิพพานเป็นพระอาหารหันตสาวกจะอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่เดียวกับพระพุทธเจ้าก็คือพระนิพพานเป็นที่อยู่ของผู้ที่สามารถปฏิบัติธรรมจนจนชำนาญ จ, จิตใจให้สะอาด บ, บริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดสิ้นไปจากกิจจากใจได้ทั้งหมดนี้อยู่ที่สารณะสองส่วนด้วยกันคือพุทธังธรรมังสังขังสารนังกัจฉามิคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือเป็นผู้นาําทางส่วนอัตตาหิอัตโนโนาโถก็คือการปฏิบัติของเราตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทาน ปฏิบัติศีลปฏิบัติภาวนาทำใจให้สงบเรียกว่าสมาธิทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันอนิจจทุกขังอนัตตาเรียกว่าปัญญาถ้าได้ทำธรรมะทั้งสี่ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วมักผลนิพพานก็จะเป็นผลที่ตามมาจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไป อย่างถาวรจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกอย่าไปคิดว่าการเกิดนี้ดีเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปคิดว่าการไม่เกิดนี้ไม่ดีแต่เราอดคิดไม่ได้เพราะใจของเราคิดตามความรู้สึกของกิเลส ข, ของตัณหาของความอยากกิเลสตัณหายังอยากจะกลับมาหาความสุข ยังอยากมีนั่นมีนี่ยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่ยังอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่พอคิดว่าไม่ได้กลับมาเกิดแล้วก็จะไม่ได้พบกับสิ่งเหล่านี้แต่ไม่คิดถึงผลลับผลลบบ้างว่าเกิดมาแล้วต้องทุกขต้องร้องห่มร้องไห้ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่จากคนที่เรารักไปเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไป และเวลาอยู่แล้วไม่มีสิ่งที่เราลักเราชอบแต่อยากได้ก็จะทุกข์ทรมานเหมือนที่เรากำลังทุกข์ทรมานกันอยู่ทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะความอยากไม่ใช่หรือเราอยากได้นั่นอยากได้นี่เห็นคนนั้นเขามีรถก็อยากจะมีรถเห็นคนนั้นเขามีคอนโดก็อยากจะมีคอนโดเห็นคนนั้นมีแฟนก็อยากจะมีแฟน แต่ไม่เคยคิดว่าเวลาที่มันเสียไปมันหมดไปเป็นเป็นอย่างไรคิดแต่อยากจะได้เท่านั้นแต่ไม่เคยคิดถึงเวลาที่จะเสียไปเวลาแฟนตายจากเราไปเป็นอย่างไรเวลารถหายไปถูกขโมยไปเป็นอย่างไร <c oughs> เวลาไม่มีเงินส่งคอนโดจะต้องถูกเขายึดไปจะเป็นอย่างไรเราไม่คิดกัน เราคิดแต่ว่าได้แล้วจะมีความสุขเท่านั้นแต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปเราจึงหลงติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นอยากจะเกิดอยู่เรื่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่เกิดมาแล้วต้องร้องหผงร้องไห้ต้องหลั่งน้ำตาอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังจำไม่ได้ยังคิดว่าดีอยู่เรื่อยๆนี่คือความรู้สึกของพวกเราเป็นอย่างนี้ แต่สำหรับคนที่ฉลาดคนที่มีปัญญาเขาจะเห็นเลยว่าการเกิดนี้ไม่ดีเพราะการเกิดนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการต้องเลี้ยงดูร่างกายต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตื่นขึ้นมาก็ต้องหาอาหารมารัประทานต้องหาน้ำมาดื่มถ้าไม่มีเงินไม่มีทองจะทำอย่างไรก็ต้องไปดิ้นรนไปทำมาหากิน ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีงานทำจะทำอย่างไรก็ต้องไปเก็บขยะไปหาของที่เขาทิ้งตามถามขยะมาจุนเจืออย่างนี้มันเป็นชีวิตที่น่าอยู่หรือไม่ถึงแม้จะมีเงินก็ไม่แน่ใจว่าเงินจะมีไปตลอดหรือไม่มีงานก็ไม่แน่ใจว่าจะมีงานไปตลอดหรือไม่พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะตกงานหรือเปล่าพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเงินจะหมดไปหรือเปล่า นี่คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดที่มีจากการที่มาเกิดถ้าเราไม่คิดแล้วเราจะอยากจะเกิดกันแต่ถ้าเราคิดแล้วเราจะเบื่อกับการเกิดเราจะกลัวความเกิดเพราะเราไม่อยากจะต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆไม่นับเรื่องราวที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายพวกเรานี่อยู่กับกองทุกข์ตลอดเวลา เหมือนกับว่ายน้ำอยู่ในน้ำตลอดเวลาน้ำของพวกเราน้ำของดวงใจเราก็คือความทุกข์นี่เองว่ายไปทางไหนก็เจอแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมีวันไหนบ้างที่ไม่มีความทุกข์มีวันไหนที่บอกว่าวันนี้มีความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์มีบ้างไหมไม่มีหรอกเพราะเราอยู่ในกองทุกข์กันแต่เราไม่คิดกันเราไม่พิจารณากันเราจึงไม่รู้ว่าเราอยู่ในกองทุกข์กัน แต่คนที่ฉจลาเขาจะสังเกตเขาจะเห็นว่าชีวิตของเขานี้มีแต่ความทุกข์รอบด้านแล้วพอเขาได้พบกับทางออกได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอยากจะออกจากกองทุกข์นี้ไหมถ้าอยากจะออกก็มาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติสมา ธ, ธาิปฏิบัติปัญญาแล้วจะได้ออกจากกองทุกข์นี้ได้ จะได้ไปอยู่บนฝั่งที่ไม่มีความทุกข์ก็คือพระนิพพานนี้เองพระนิพพานนี้เป็นเหมือนฝั่งเป็นที่ปลอดภัยไม่มีความทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นเหมือนน้ำเหมือนอยู่ในอยู่ในน้ำน้ำที่เป็นพิษเป็นภัยน้ำที่มีแต่ความร้อนน้ำที่จะคอยกัดคอยกินเนื้อหนังมังสาของเรานี่คือเรื่องของ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของความทุกข์ที่พวกเราควรที่จะระลึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เกิดความเบื่อหน่ายกับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะได้เกิดความยินดีที่อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอเรามีความยินดีแล้วเราก็จะมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พอเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมีความภาคเพียรที่จะปฏิบัติเราก็อยากจะทำบุญให้มากขึ้นมีอะไรที่เราคิดว่าไม่จำเป็นจริงๆเราก็จะไม่เก็บเอาไว้จะเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นแล้วพอเราปฏิบัติธรรมได้ผลเช่นนั่งสมาธิได้ผลแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าการปฏิบัติธรรมยิ่งกว่าการรักษาศีล เราก็จะยินดีที่จะออกบวชทันทีมีทรัพย์สมบัติมีอะไรก็ยกให้ผู้อื่นได้หมดดังที่เกิดขึ้นกับพระสาวกของพระพุทธเจ้านับเป็นจำนวนมากท่านก็เป็นเหมือนพวกเรามาก่อนท่านก็เป็นผุถุชนเป็นคารว่ามีบ้านมีเรือนมีครอบครัวแต่หลังจากที่ท่านสังเกตดูชีวิตของท่านว่ามันมีแต่ความทุกข์ และพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนก็เกิดศรัทธาปฏิบัติธรรมจนเห็นผลขึ้นมาในจิตในใจจึงอยากจะได้ผลให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เลยตัดสินใจออกบวชกันแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกลายเป็นพระสังฆละตะนะเป็นที่พึ่งของพวกเรามาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือเรื่องของสารณะที่พึ่งของพวกเรา ที่มีอยู่สองส่วนได้กันคือพระรัตนตรัยพุทธังธรรมังสามังสารนังกัจฉามิเป็นที่พึ่งเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้สอนส่วนอัตตาหิอัตโนนาถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าถ้าเรามีสาระทั้งสองส่วนนี้แล้วเราก็จะมีที่พึ่งที่แท้จริง ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการสร้างสรรณะทั้งสองส่วนนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิตรพิจรารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัย